พ่อเธอคถาหมุหมิบอำพรางของศยศาสตร์พึงอง์อาจด้วยพุทธคถาที่ชี้ทางปฏิบัติชัดให้เกิดปัญญาก่อนจะผ่านตอนนี้ไปเน่ไหนก็ได้พูดชี้โทษของศยศาสตร์บอกความผิดพลาดเสียหายมามากพอจะเลิกจะละเดี๋ยวก็ปัดเป๋มัวเซมัวทลาหาทางไปไม่ถูก จึงขอชวนยั้งตัวตั้งหลักให้มีที่มั่นยันตัวไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยก้าวกันต่อไปที่พูดว่ามันนั้นก็แรงบ้างแต่ก็พูดด้วยหวังดีที่ไม่อยากให้จมกันอยู่ในความประมาทไม่ให้พลาดหลุดหล่นไปจากพระพุทธศาสนาหรือมัวเพลินไปกับสยศาาติจนจับเอาเรื่องผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลัทธิหวังผลดลบันดาลเป็นตัวพระพุทธศาสนาไปเสียเลยบางตาตัวเอง มองไม่เห็นไม่ถึงพระพุทธศาสนาสักทีที่ต้องเตือนกันหน่อยนักก็เพราะพวกเราเนี่ยทำท่าจะถลำตัวเลยเถิดไปแสนไกลจนจะสุดกูกันแล้วไหนจะคอยแต่เสียงโชครอลาบลอยหรือหวังผลดลบรรดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลัทธิไหววอนอิทธิริศปาฏิหารไหนจะเสพติดลัทธิบริโภคนิยมเห็นแก่ง่ายเอาแต่ที่สะดวกสบายติดสิ่งกลม วนเวียนอยู่แค่เป็นนักเสพนักบริโภคไม่เป็นนักผลิตผู้หารคิดก้าวหน้าอุตสาหะประดิษฐ์สร้างสรรค์ถ้าอยู่กันอย่างนี้ก็จะอ่อนแอป้อแปะปวกเปียกไปไหนไม่ไหวได้แค่แย่งชิงจิกตีกันเองแล้วก็เอาอะไรที่ได้ง่ายๆใกล้ๆเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เลอะเทอะรุงรังสุดจะสมจำไว้เป็นหลักรือว่า พุทธศาสนาสอนให้ถือหลักการกระทาให้ถือหลักการภาคเพีนจำเป็นคำพระไว้ด้วยก็ยิ่งดีว่าพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทเป็นวิริยาวาทหรือกรรมวาทะวิริยาวาทะก็ได้ความเพียรพยายามเป็นข้อธรรมรวมอยู่ในหลักสำคัญทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหลักการสร้างความสำเร็จคืออิทธิบาทสี่ หลักกำลังภายในคือพละห้าหลักเจ้าการในสนามปฏิบัติคืออินสี่ห้าหลักองค์ประกอบของการตรัสรู้คือโพชฌงเจ็ดตลอดจนบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ได้แก่บา ร, รมีสิบและเมื่อใช้ถูกก็เป็นองค์มครรคคือสัมมาวายามะและยังมีชื่อเรียกยักษ์เยองไปต่างๆ เช่นว่าความเพียรกล้าสู้คือวิริยะความพยายามวายามะการลุกขึ้นทำรรความมันขยันเอาการเอางานคืออุทานะความหึดฮัดสู้ความขมขมเข้มคืออุสาหะความเข้มแข็งยืนหยัดคือทิฏฐิการก้าวออกไปสลัดตัวออกจากความขี้เกียจคือนิกะมะ ความบากบั่นก้าวไปข้างหน้าก้าวต่อไปต่อไปคือป ร, รักรมะการตั้งความเพียรขึ้นเป็นหัวหน้าพาคุณสมบัติและความสามารถทั้งหมดออกดำเนินการให้สาเร็จครบทุกด้านคือประธานหรือประธานะการลงมือทำประกอบการบำเพ็ญเพียรคือโยคะประโยคะเป็นตน้น ความเพียรพยายามเข้มแข็งบากบันหมั่นขยันสู้งานสู้ปัญหามีความสำคัญในพระพุทธศาสนาท่านเน้นย้ำถึงขนาดนี้คนอ่อนแอมีตนที่พึ่งไม่ได้ไม่พยายามพึ่งตัวและไม่พยายามพัฒนาตัวให้เป็นที่พึ่งได้เอาแต่รอรับจะเรียกตัวให้ถนัดปากว่าเป็นชาวพุทธหรือเป็นอริยชนได้อย่างไร สำหรับชาวบ้านชีวิตดำรงอยู่และดำเนินไปด้วยอาชีพการงานคำสอนพื้นฐานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เป็นหลักซึ่งท่งย้ำอยู่เสมอพบเห็นในพระไตรปิฎกบ่อยมากก็คือให้มีความสุขมีความภูมิใจในทรัพย์สินที่เกิดจากการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยเรี่ยวแรงกำลังความขยันหมั่นเพียรของตนโดยสุจริตชอบธรรม สำหรับพระสง์นั้นชัดอยู่แล้วว่าชีวิตการบวชก็คือการบำเพ็ญเพียรในการเจริญไตรสิกขาหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าเพียรพยายามลดละอกุศลและเพิ่มพูนพัฒนากุศลธรรมหรือเพียรมุ่งแนวเพื่อลุถึงธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งตามปกติ เราคัดคำบาลีพุทธพจน์มากมายมาสวดกันคือเลือกมาตั้งเป็นบทสวดมนต์ในยุคสมัยนี้เมื่อเราเห็นอยู่ว่าคนชักจะอ่อนแอป ร, ระมาทขาดความขยันเราไม่ควรมองข้ามพุทธพจน์ ท, ที่ส่งสอนให้เข้มแข็งมีความเพียรพยายามอย่างที่ว่านี้ไปเสียถ้าจะให้ดีน่าจะนำคำบาลีพุทธพจน์ดังที่ว่านั้นมาสวดกันเป็นพระพุทธมนต์ประจำเลยทีเดียว จะได้เสริมสร้างสภาพจิตให้คนมีความเข้มแข็งภาคเพียรและรู้จักมีความสุขภูมิใจมั่นใจในผลงานของตนทั้งทางวัตถุและทางจิตทางปัญญาที่สร้างขึ้นมาด้วยเรี่ยวแรงกำลังความเพียรพยายามของตนเองโดยสุจริตชอบธรรมในที่นี้คัดมาให้ดูพอเป็นแนวทั้งบาลีและคำแปลถ้าสวดทั้งบาลีและคาแปล จะสวดสลับกันทีละย่อหน้าหรือทีละข้อก็ได้หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ขออนุญาตอ่านเฉพาะคำแปลไทยนะครับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือซึ่งจะลงลิงก์ให้ดาวน์โหลดไว้ในทุกช่องทางที่ผมจัดทำไฟล์เพื่อเผยแพร่พพพพนะครับอนัญญสูตรรังนั้นแหละ อนาถาบินทิกาขหาฮดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมและนั่งนั่ที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านขหาฮดีผู้นั่งข้างหนึ่งแล้วดังนี้ว่าดูก่อนขหาฮดีสุขสี่ประการนี้อันเข้ารือหัดผู้กามโภคีพึงถึงพึงมีคู่การเคียงเวลาเรื่อยๆไป 4ประการเป็นชนหน 1. สุขจากความมีทรัพย์ 2. ส, สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค 3. ส, สุขจากความไม่เป็นหนี้ 4. ส, สุขจากกรรมดีงามไร้โทษดูก่อนขหาพเดีก็สุขจากความมีทรัพย์เป็นชนัย ในข้อนี้กุลบุตรมีโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรก่อเกิดเก็บรวมขึ้นด้วยกำลังแขนตรำเงื้อได้มาเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอนั้นย่อมได้ความสุขได้ความสมนัดว่าเรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรก่อเกิดเก็บรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนตรำเงื้อได้มาเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรม ดูกนข้าหาบดีนี้เรียกว่าสุขจากความมีทรัพย์ดูก่ข้าหาบดีก็สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นชไหนในข้อนี้กุลบุตรกินใช้และทำบุญความดีงามทั้งหลายด้วยโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรก็เกิดเก็บรวมขึ้นมาด้วยกำลังแขนตรามเงือได้มา อันเป็นของชอบธรำได้มาโดยธรรมเธอนั้นย่อมได้ความสุขได้ความสมณัตว่าด้วยโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรก่อเกิดเก็บรวมขึ้นด้วยกำลังแขนรำเหงือได้มาอันเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทําการบุญความดีงามทั้งหลายนี้เรียกว่าสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภค ดูก่อนขหาบดีก็สุขจากความไม่เป็นหนี้เป็นชไหนในข้ อ, อนี้กุลบุตรไม่ติดหนี้สินรไร่ของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอนั้นย่อมได้ความสุขได้ความโ ส, สมนัสว่าเราไม่ติดหนี้สินรไร่ของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากดูก่อนขหาบดีนี้เรียกว่าสุขจากความไม่เป็นหนี้ ดูก่อนขหาบอดีก็สุขจากกรรมดีงามไร้โทษเป็นไฉในข้อนี้อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษเธอนั้นย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษ ประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษดูก่อนข้าบดีนี้เรียกว่าสุขจากกรรมดีงามไร้โทษดูก่อนข้าบดีสุขสีประการ น, นิลาอันขรืหัดผู้กามโพขีพึงถึงพึงมีคู่การเคียงเวลาเรื่อยๆไป ประสูตรที่2อุเชยสูตรดูก่อนพรามธรรมะสประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กุลบุตรตราบชีวิตในโลกนี้4ประการเป็นชะไหน 1. ถึงพร้อมด้วยความมัน 2. ถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. คบหาคนดีเป็นมิตร สเลี้ยงชีวิตให้เหมาะพอดีดูก่อนพรามถึงพร้อมด้วยความมั่นเป็นชนัยในข้อนี้กุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยการงานอย่างใดจะเป็นกาสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรมก็ดีโครักกรรมก็ดีราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี เธอเป็นผู้ถนัดจัดเจนไม่เกียดคร้านในงานนั้นขอบด้วยปัญญาตรวจสอบสืบคน้นรู้จักวิธีดําเนินการในเรื่องนั้นๆสามารถทําสามารถจัดการดูก่อนพรามนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยความหมันดูก่อนพรามถึงพร้อมด้วยการรักษาเป็นไนะ ในข้อนี้กุลบุตรมีโพกรัพ์อันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรก่อเกิดเก็บรวมขึ้นด้วยกำลังแขนตรำหยาดเหงื่อได้มาอันเป็นของชอบทำได้มาโดยชอบทำเธอจัดการรักษาคุ้มครองโพกรัพ์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรเหล่าผู้ปกครองจะไม่พึงริบโภกะเหล่านี้ของเราเสียพวกโจรจะไม่ลักไปเสียไฟจะไม่ไหม้เสีย น้ำจะไม่พัดพาไปเสียทายาิอับรีจะไม่เอาไปผลานเสียดูก่อนพรามนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายเหตุ head, ผู้อ่านสำหรับพระสูตรนี้ในหนังสือท่านหมายเหตุว่าคัดมาสองข้อพอให้เห็นแนวสำหรับท่านที่สนใจจะสวดเต็มสามารถค้นหาจากอินเทอร์เนต็ตได้ง่ายๆนะครับ ค้นหาคำว่าอุชยสูตรพระสูตรนี้เป็นพุทธพจน์ที่เรารู้จักกันดีว่าคถาเศรษฐีที่หลายท่านนำเอาคำต้นของทั้งสี่ข้อนั้นในภาษาบาลีมาท่องกันนะครับคืออุอากาะสะมาจากอุทานะสัมปทาอารค ะ, ะสัมปทากัลยาณมิตตาและสมาชีวิ ต, ตาคถาหัวใจเศรษฐีนั้นเมื่อนำมาท่องต้องแปลได้เข้าใจความหมาย และใช้คำย่อเป็นการระลึกเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดประโยชน์ซึ่งข้อที่4คือสมชีวิตตานั้นการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะพอดีก็ตรงกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองคำว่าพอเพียงคือกินใช้สมฐานะนะครับไม่ใช่การประหยัดมัธยัติหรือต้องทำตัวจนๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดไปมากจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ ทั้งสองพระสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่ทรงสอนชาวบ้านพระก็สวดเพื่อใช้สอนชาวบ้านคัดมาดูเป็นแนวส่วนหนึ่งไม่เต็มทั้งพระสูตรส่วนพระสูตรสําหรับพระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านก็สวดเพื่อรู้หลักไว้ขอให้ดูตัวอย่างจากพระไตรปิฎกเล่มที่22จากประธานิยังคสูตรในที่นี้ขอไม่อ่านบาลีอ่านเฉพาะคําแปลไทยนะครับ ภิกษุทั้งหลายองค์ของผู้บำเพ็ญเพียรมีห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นชนหนภิกษุในธรรมวิไนนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อตถาคตโพธิว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะ สเสด็จดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีเยี่ยมยอดที่ฝึกคนอันจะพึงฝึกเป็นพระศาสดาของเ่าเทวดาและหมู่มนุษย์ผู้ทรงจำแนกแจกธรรม 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยระบบเผาผลาญเครื่องย่อยอาหารอันสม่ำเสมอพอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นมัชชิมาเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่อโอดอวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตนเป็นจริงทั้งในพระศาสดาทั้งในเพื่อนปรมจารีที่เป็นวินยู 4. เป็นอยู่อย่างผู้ที่ระดมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่ อ, อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เป็นผู้มีปัญญารกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะที่อย่างถึงความเกิดดับจำแรกกิเลสได้อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของผู้บำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละพระพุทธมนี้ถ้าเห็นว่าไหวก็น่าจะสวดกันเป็นประจำ โดยรู้เข้าใจความหมายมั่นใจได้ว่าจะช่วยให้คนไทยมีใจเข้มแข็งขยันหมั่นเพียรเอาการเอางานจริงจังต่อกิจหน้าที่ไม่มัวเมาประมาทและผลศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏให้เห็นเป็นความสุขความดีงามความเจริญทั้งของชีวิตและของสังคมอย่างแน่นอนแค่นี้ก็ตั้งหลักได้และพร้อมจะก้าวต่อไป